สมาชิกธรรมยัตราครั้งที่18ที่จริงธรรมยัตราเนี่ยเราจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการตอนพรุ่งนี้นเวลา9ก้าโมงเช้าและทันทีที่เราเริ่มเดินก้าวแรกออกจากวัดภูเขาทองก็ถือว่าธรรมยัตราได้เริ่มต้นแต่ว่าอันนั้นเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ถ้าเริ่มต้นอย่าไม่เป็นทางการก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยนะเมื่อเราได้เริ่มต้นกธรทำวัดเย็นเรามาด้วยการพร้อมด้วยความพร้อมเพรียงกันถ้าถือว่าเป็นการเริ่มต้นธรรมญาติาราแล้วนะพวกเราในที่นี้นะอาตมาเท่าที่ทราบจากการลงทะเบียนนักว่าครึ่งนะ 60% ซไม่เคยเดินธรรมญาติารามมา ก, ก่อน ครั้งนี้นะจะเป็นครั้งแรกนะที่มาร่วมเดินเราก็เชื่อว่าที่มาจนธรรมยาตราครั้งแรกนี่นะและส่วนใหญ่ก็คงจะมาที่วัดภูเขาทองเป็นครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเจอนะกับพวกเราทั้งหลายในเทนี้นะเป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าที่นี่นะเราขอให ถือว่าเราไม่มีคนแปลกหน้านะมีแต่วิธีเพิ่งรู้จักแม้จะเพิ่งพบกันครั้งแรกนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนแปลกหน้าเป็นเพียงวิธีเพิ่งรู้จักและมิจรท่เราเพิ่งรู้จักนะก็เชื่อว่าตลอดการเดินธรรมญาตราไม่ว่าจะเป็น8วันหรือ1วันก็ตาม เชื่อว่าจะทําให้เราได้กระชับในความเป็นมิตรมากขึ้นเป็นมิตรเพราะว่าเราได้ร่วมเส้นทางเดียวกันแล้วก็ลําบากด้วยกันยิ่งถ้าเราสามารถจะเดินจนครบเส้นทางนะก็เชื่อว่าเาจะได้พกมิตรมากมายซึ่ง อาจารย์มาร่วมเดินธรรมญาตตราครั้งต่อๆไปอ ย, อย่างที่หลายคนที่มาเดินในครั้งก่อนๆก็มาเดินในครั้งนี้นะเพื่อจะได้พบปะเพื่อนเก่าๆซึ่งได้พบกันเป็นครั้งแรกนะก็จากการจนธรรมญาตตราในครั้งก่อนๆนั่นเอง แล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่ใครเดินธรรมยัาตราตอนนั้นนะแต่ว่าธรวิที่เราเพิ่งรู้จักในวันนี้ก็เชื่อว่าจะได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆที่ดีงามสร้างสรรค์นในวันต่อๆไปในโอกาสต่อๆไปด้วยอ ย, อย่างที่เด้พบเห็น วิสาหายหลายคนนหลังจากเดินธรรมยาตราแล้วก็ยังมาพบปะ ก, กันหรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์เันนี้ก็เป็นอ น, นิสงส์อย่างหนึ่งนะของการเดินธรรมยา ต, ราตลอดสิบเจ็ปีที่ผ่านมาก็ไม่น่าเชื่อนะว่าธรรมยาราเนี่ยซึ่งเริ่ม ดยคนไม่กี่คนเมื่อปีสี่สามเนี่ยก็ยังสืบเนื่องนะต่อมาจนถึงวันนี้ได้นะตั้งแต่ปีสี่สามเนี่ยไม่เคยมีปีไหนนะที่ไม่มีเดินธรรมยารานะราลุ่มน้ำลาป่าเทานะเป็นการเดินธรรมยาราที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดนะเท่าที่เคยมีนะในเมืองไทยอันนี้ก็ เหตุผลสำคัญก็คือนะมิตภาพที่ได้สารนะแล้วก็ได้เสริมอย่างต่อนเนื่องจะเชื่อว่าไม่ใช่แค่นะักเพื่อนใหม่ที่เราอาจจะได้รู้จักระหว่างการเดินรวมนักเพื่อนเก่าที่ไดม้มาพบกันอีกครั้งนะในการ เดินธรรมยกตราครั้งนี้เราจมาเชื่อว่าเราจะได้ได้พบกับมิตรที่สำคัญที่เราอาจจะไม่เคยคิดว่าอมันเป็นมิตรของเราเลยหรือเนี่ยก็คือตัวเรานี่แหละจะเรียกว่านี่เป็นมิตรที่เพิงรู้จักก็ได้หลายคนเนี่ยจะได้เป็นมิตรกับตัวเองนะอย่างแนน่นเนี่ย ก็าจากเดินธรรมยาตราอันนี้ไม่ได้พูดเราเองนะแต่เป็นข้อสรุปนะจากการที่ได้เห็นนะความเปลี่ยนแปลงของผู้คนจานวนมากนะที่ได้มาเดินธรรมยาตราและที่จริงแล้วเนความเป็นมิตรเนี่ยในตัวเองเนี่ยนะมันเกิดขึ้น ระหว่างการเดินนี่แหละมันมันมีความหมายไหมว่าอย่างไรนะมันมีความหมายตรงที่ว่าเราจะพบว่าในใจเราเนี่ยมันมีความสามารถมีคนพิเศษบางอย่างนะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะ พาเราเนี่ยผ่านพ้นความยากลำบากต่างๆตลอดเจดวันข้างหน้าหลายคนที่เพิ่งมาเดินธรรมยตราเนี่ยในปีนี้เนี่ยอาตมาเชื่อแน่เลยว่าจะต้องเจอหลายสิ่งหลายอย่างเป็นครั้งแรกของชีวิตแล้วก็จะได้ทำหลายสิ่งหลายอย่าง เป็นครั้งแรกของชีวิตเช่นเดียวกันบางคนอาจจะได้รู้จักนะการเรียว่านอยกลางดินกิ่นกลางทรายเป็นครั้งแรกในชีวิตหลายคนอาจจะได้รู้จักการเดินเป็นระยะทางไกลยี่สกิโลภายในหนึ่งวันท่ามกลางแดดที่ร้อน หรือว่าอากาศที่อ้าวแล้วก็ต้องเจอความยากลำบากอีกหลายอย่างอที่ไม่เคยเจออาจจะได้ไปนอนในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าหรือว่าไปอยู่ในที่ที่ห้องน้ำไม่ค่อยสะดวกสบายหลายคนอาจจะไม่เคยเจอส้วมหลุมมาก่อนในชีวิต แต่ธรรมยถารานนะจะทําให้เรารู้จักนะภายในไม่กี่วันข้างหน้านะไอสิ่งที่เราจะได้ทนะําและสิ่งเราจะได้เจอหลายอย่างเป็นครั้งแรกเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มก็ไม่ใช่ความสะดกสบายนะแต่ว่าเราจะพบว่าในท่ามกลางความไม่สะดกสบายเหล่าเนี้ยบางสิ่งบางอย่างในตัวเรานะมันก็ทําให้เราเนี่ย สามารถจะผ่านพ้นหรือรับมือกับเหตุการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไอสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทาได้นะผ่านธรรมญาตาเราก็พบว่าเราจะพบว่าเราทำได้หลายคนมาธรรมญาตาเนี่ยนะด้วยความไม่มั่นใจมาด้วยความไม่มั่นใจว่าจะอยู่ได้ไหมจะต้องเดินไกลๆเนี่ยเกือบร้อยกิโล ไปในช่วงเจ็ดวันเนี่ยจะไหวไหมจะทนร้อนทนหนาวได้หรือเปล่าไหนจะอาหารการกินซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรบ้าง<ม>หลายคนมาทำรายะตายด้วยความสึกแบบนี้ด้วยความกังวลด้วยความไม่แน่ใจแต่ก็เชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะเดินไปจนครบถึงวันที่8ได้เนี่ย เชื่อว่าหลายค น, นยจะอดทึ่ในตัวเองไม่ได้เกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าั้งทาสิ่งยากได้ไม่ใช่แค่ความอดทนนะเท่านั้นแต่ว่าอาจจะได้พบหรือได้สัมผัสหรือได้ทำในสิ่งที่มันยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทั้งที่อากาศร้อนทั้งที่ทางไกลนะทั้งที่กายเหนื่อยนะแต่ว่าใจมันสงบ ใจมันไม่หุนมันไม่ไม่อดครวนไม่ตีโพยตีภายกายเหนื่อยนะแต่ใจไม่เหนื่อยกายร้อนนะแต่ว่าใจไม่ร้อนถ้ามันมีคำขวัญธรรมยาตราปีแล้วปีเล่าเนะี่ยที่เราก็ย้ำแล้วก็จะว่าไปมันก็เป็นโจทย์นะของพวกเราด้วย เช่นร้อนแต่กายนะใจสงบเย็นนะเหนื่อยแต่กายใจเบิกบานอันี้ดูมันขัดแย้งกันเองนะหลายหลายคนก็ไม่เชื่อมันจะเป็นไปได้แต่หลังจากที่เดินนะมาหลายวันก็เพราะว่ามันก็ทําได้นะในทํากลาอากาศร้อนแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ร้อนด้วย เดินมาทั้งวันเนี่ยกายเนี่ยมันอ่อนเปลี่ยนะแต่ว่าใจมันสบายนี่ยช่งที่มันลำบากนะแต่ว่าก็เพราะความสนุกนะในท่ามกลางความลำบากเหล่านั้นอันเนี้ยที่ทําได้เนี่ยไม่ใช่เพราะใครเลยนะแต่เป็นเพราะตัวเราเองหรือเพราะใจของเรานะซึ่ง ผ่านการเคี่ยวผ่านการกลําผ่านการฝึกฝนมันทําให้กายเนียนะไอทำให้ใจเนยนะมันกลายเป็นมิตรที่ประเสริฐของเราไอที่นําพาตัวเราเนี่ยพาความลําบากไม่ใช่ด้วยความอดทนไม่ใช่ด้วยความกล้ามกลืนฝืนทนนะแต่ว่าด้วยความรู้สึกที่ปิติด้วยความรู้สึกที่เบิกบานอันนี้แหละคือช่วงเวลาที่เราจะได้พบกับมิตร นะภายในตัวเองซึ่งเราอาจจะไม่เคยคิดว่ามันมีอยู่อันนีนะ้เรียกว่าเป็นวิธีเพิ่งรู้จักเหมือนกันนะที่หลายคนจะได้ประสบสัมผัสมิธีนี้แหละนะอย่างนี้แหละนะที่จะช่วยให้เราเนี่ย ผ, ผ่านผ่านพ้นอุปสรรคความยากละบากต่างๆหรือแม้กระทั่งวิกฤตในชีวิตของเราในวันข้างหน้าได้ แต่ว่าก่อนที่จะถึงตอนนั้นเนี่ยนะก็ให้เราได้มาเรียนรู้นะได้มาสัมผัสนะกับมิตรภายในนะที่จะช่วยทำให้เรานะเอาชนะความยากรำบักต่างๆได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้นะพวกเราหลายคนที่มาด้วยความกังวลใจด้วยความวิตกนะได้รับรู้ว่าเราสามารถทำได้นะ ขอใหเ้เราได้รู้จักมิตรที่ว่านี้ก็แล้วกันที่จริงมิตรที่อยู่รอบตัวเราเที่เราเพิ่งมารู้จักในธรรมยาตราครั้งเนี้หรือว่ามิตรที่เรารู้จักมาก่อนเนี่ยเขาก็จะช่วยประครับประคองเราได้เยอะทีเดียวนะสามารถจะับประคับประคับประคับ ร, ร, ร, ร, ร, รองให้เราเนี่ยผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันได้นะด้วยความสึกดีเพราะฉะนั้นความเป็นมิตร ในธรรมยถาอย่างเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเริ่มจากมิตรีอยู่รอบตัวเรามิตรที่เราเพิ่งรู้จักแล้วต่อไปเนี่ยนะเราก็จะได้มารู้จักกับมิตรที่อยู่ภายในมิตรทั้งสองชนิดนะเราจะพบเราจะรู้จักได้เนี่ยบ่อยครั้งต้องอาศัยความยากลา บ, บากถ้าถ้ามันสบายนะ ถ้าสบายเนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้จักหรือว่าได้เห็นมิตรทั้งสองชนิดเลยชีวิตสบายมันทำให้เราหมกมุ่นอยู่กับตัวเองทำให้เราจมอยู่กับตัวเองหรือทำให้เราจมอยู่กับโลกแห่งความคิดความฝันทำให้เราอยู่กับเทคโนโลยี Technology, นะโทรศัพท์มือถือนะโทรทัศน์หรือว่ า, าวัตถุสิ่งเสื ที่มันให้ความสะดวกสบายกับเราหรือความเพลิดเพลินกับเราและมันก็ทำให้เรากลายเป็นคนอ่อนแอแต่พอเราเจอความยากลาบากเราจะเห็นคุณค่านะของมิตรที่อยู่รอบตัวเราและความลาบากนี่แหละที่มันจะเขี่ยกรมให้ใจของเราเนี่ยนะกลายเป็นเป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุดของเราอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ในด้านในในแง่หนึ่งนะก็อยากจะบอกพวกเราว่าอย่า ก, กลัวความยากลำบากที่เราจะต้องเจอตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปใครที่คิดว่าคืนนี้ลำบากแล้วนี่อันนี้อันนี้ให้คอนใจผิดนะคืนนี้สบายที่สุดแล้วที่หลับที่นอนก็กว้างขวางมีไฟฟ้าห้องน้ำก็มีเยอะนะ สัญญาณโทรศัพท์ก็เต็มสี่ขีดแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยนะมันจะไม่ใช่แล้วหล่ะบางทีก็ต้องเรียกว่านอนกลางอยู่กินการทรายจริงๆนะนะกลางเต้นอยู่ในทุ่งหรือบางทีในในป่าไม่ใช่ในอาคารห้องน้ำก็ไม่พอไม่เยอะนะพอทุกคนนะแต่แต่ว่าใช้เวลาเข้าคิวนานหน่อยนะ แล้วก็จงเกิดส้มหลุมนะใครไม่เคยรู้จักส้มหลุมเนี่ยจะได้เจอและจะรักส้มที่บ้านเราเยอะเลยนั้นอย่าไปเราต้องเจอความยากลำบากตลอดเจ็ดวันแต่ว่าอย่าไปกลัวเพราะว่ามันทาให้เราเนี่ยได้ได้พบกับมิดนะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในหรือเห็นคุณค่านะของมิดเหล่านี้มากขึ้น ในอีกด้านหนะึ่งนะก็เชื่อว่าจะทำให้เราเนี่ยเกิดความมั่นใจในคลายความวิตกกังวลเจอเพื่อคนที่ไม่คุ้นกับความยากลำบากเนะหลายคนเนี่ยเพราะว่าหน้าที่ทำได้เนี่ยนะขเะเ อ, เ พ, อเพื่อนเพื่อเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจและการที่สามารถจะผ่านความยากลำบากไปได้ มันก็ทำให้เรามีใจดวงใหม่มีใจดวงใหม่ที่ในกายเป็นมิต่ประเสริฐของเราได้เรื่องนี้เนี่ยก็จะได้พูดกันต่อไปนะในวันข้างหน้าจะจะยังไม่อธิบายมากวันนี้เนี่ยก็เย็นนี้ก็ถือว่าเรามาถ้าถ้าธรรมยาตราเปลี่ยนมือเครื่องยนต์นะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เรามาอุ่นเครื่องกันถ้าเป็นดนตรีนะก็เรียกว่าเป็นช่วงนี้โหมโรงมันยังไม่ได้ถึงตัวตัวสิ่งที่เป็นเป็นส่วนสำคัญแต่ว่ามันก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเรามันก็เหมือนกับก่อนที่ลูกธนูเนี่ยนจะมันจะพุ่งออกไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องเตรียมก่อนนะด้วยการน้าว น้าวสายธนูมาข้างหลังเมื่อเราน้าวสายาสายธนูมานะจนได้ที่แล้วเนี่ยพอเราปล่อยสายนั้นเนี่ยนะลูกธนูมันก็จะพุ่งไปข้างหน้านนด้ความเร็วนะเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคณะธรรมยาตราเนี่ยก็จะมากลลูกธนูที่จะพุ่งไปข้างหน้าแนละ้วแต่ว่าเราก็ต้องมาเตรียมันก่อนนะจะเรามาอุ่นเครื่องมาห้มโลงหรือว่ามาน้าวสายธนูให้มันนะ ให้มันพร้อมก่อนที่จะปล่อยลูกธนูไปแต่ครั้งนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกันนะแล้วก็มามาปรับตัวปรับใจเพื่อที่จะพร้อมกับการเดินธรรมยาราที่จะประเดิมกันในวัพนพรุ่งนี้แล้วก็ส่วนที่หลายคนสงสัยว่าธรรมยารามันคืออะไร มันทำไปเพื่ออะไรแย่พนระุ่งนี้ก็จะได้อธิบายเพราะว่าจะมีหลายคนนะี่จะมาเดินทางมาสมทบนะก็จะอธิบายไปรพร้อมๆกันเพื่อเข้าใจว่าธรรมญาตราเนี่ยมันคืออะไรแลวทำไปเพื่ออะไรแต่ว่าสำหรับอ น, นิสงส์ที่จะได้เนี่ยนะส่วนหนึ่งก็ได้พูดไปแล้วนะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะเปิดใจให้กว้าง๋ยวพึ่ง๋ยวพึ่งคิดไปข้างหน้าว่า หรือตัดสินนะในสิ่งที่เรายังไม่ได้เจอนะหลายคนเนี่ยเป็นพราะคิดไปข้างหน้าแล้วทั้งที่ไม่รู้ข้างหน้าคืออะไรแต่พอคิดไปข้างหน้าแล้ววาดภาพเอาไว้ว่าโอมันต้องลําบากมันต้องมันต้องเหนื่อยต้องยากเนี่ยก็เกิดความว่ตกกังวลขึ้นมาทันทีบางคนก็อายุก็เครียดตัวเออายุมาก น, 10, นะห้าสิบหกสิบนะบางคนก็เจนะ็ดสิบโอจะไหวไหมเนี่ยนะอันนี้มันเป็นการตีตัวไปก่อนไข้ นะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรข้างหน้าให้เราเนี่ยกลับมานะกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเราก็เปิดใจให้กว้างอะไรยังไม่เกิดนะก็อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เราได้เจอข้างหน้าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้แล้วจะเราพบว่าโอ้เราทำได้มากกว่าที่เราเคยคิดอันนี้มันก็จะเป็น สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้ตลอดการเดินธรรมยาราสำหรับคำนี้ก็นะเกริ่นเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเข้าสู่กิจกรรมอื่นๆนะเพื่อการเตรียมความพร้อมนะของเราก็ยุติเพียงเท่านี้กลับห้องกัน